คำว่าละกรรมอันเป็นสาวัตชกรรมและอนัวัตชกรรมความว่ากรรมดามีผลดาเรียกว่าสาวัชกรรมกรรมขาวมีผลขาวเรียกว่าอนัวัตชกรรมละเวนบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งกรรมดกรรมมีโทษและกรรมไม่มีโทษเนี่ยนะฉะนั้นจึงชื่อว่ากรรมนั้นอันเป็นสาวัตชกรรมและวัตชกรรมก็ละกรรมที่เป็นทั้งกรรมขาวและกรรมดา พระหาเนี่ยท่านละกรรมที่เป็นบุญและละกรรมที่เป็นบาปคำว่าละกรรมในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่ากรรมที่เป็นบุญกรรมที่เป็นบาปจะนำให้ท่านปฏิสนธิในภพใหม่ต่อไปอีกไม่ได้เรียกว่าละกรรมเนี่ยนะไม่ใช่ว่ากรรมเหล่านั้นไม่มีท่านยังมีกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมแต่ที่คาว่าละกรรมเนี่ยแปลว่ากรรมเหล่านั้นจะไม่ให้ผลนำเกิดอีกต่อไป กรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมในอดีตหรือกรรมปัจจุบันที่กําลังทําอยู่จะไม่มีผลอีกต่อไปเลยคําว่าไม่ปรารถนาความหมดจดและไม่ปรารถนาความไม่หมดจดบอกว่าพวกปุถุชนย่อมปรารถนาความไม่หมดจดคือปรารถนาอากุศลธรรมย่อมอ่ะนะปรารถนาความหมดจดคือปรารถนาเบญจากา ม, มคุณปุถุชนเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมปรารถนาอากุศลไหมปราถนาความโลภอ่ะก็อยากจะโลภอยากจะโกรธนั่นแหละ หรือปรารถนากามก็นึกว่าตัวเองจะหมดจดเนย่อมปรารถนาความไม่หมดจดคือปรารถนากุศลธรรมเอออากุศลและเบญจกามคุณปรารถนาความหมดจดคือปรารถนาที่ที่หกิบสปรารถนาความไม่หมดจดคือปรารถนาอากุศลธรรมเบญจกามคุณและที่ที่หกิบสปรารถนาความหมดจดคือปรารถนากุศลอันมีในไตรธาตุคือมหากุศล8รูปาวจรกุศล5้รูปาวจรกุศลสเนี่ยนะ ย่อมปรารถนาความไม่หมดจดคือปราถนาอากุศลธรรมหกอากุศลธรรมเป็นจักามคุณที่ทีหและกุศลธรรมอันมีในตรายธาตุพวกกลัลยาณ์นะปุตตชนย่อมปรารถนาความหมดจดคือปรารถนาความย่างเข้าสู่อริยมรรคปุตตชนเนี่ยปราถนาโสดาปิตมรรคใช่ไหมกัลยาณปุตุชนนะปราถนาโสดา ป, ปิตนนปรปมรรคพระเสขย่อมปรารถนาอรหัตผลซึ่งเป็นธรรมะอันเลิศ เมื่อบรุษอรหัตผลแล้วผ้ารหันย่อมไม่ปรารถนาอากุโซธรรมถ้าบรรลุบริบูรณ์อย่างนี้นะไม่ปรารถนาเบญจตามมคุณไม่ปรารถนาที่ที่หิบสอไม่ปรารถนากุโซรธรรมอันมีในตรายธาตุไม่ปรารถนาความย่างเข้าสู่อริยมรรคคือโสดาสกต า, าคามียนาคามีอรหัตตมักเนี่ยนะไม่ปรารถนาอรหัตผลซึ่งเป็นธรรมะอันเลิศคือท่าไม่มีตัณหาอนะ ข้ า, ารหันเนี่ยก้าวล่วงความปรารถนาแล้วล่วงเลยความเจริญและความเสื่อมเสียแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีจารณะอันประพฤติแล้วและท่านก็เป็นผู้ไม่มีพบใหม่อีกต่อไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ปรารถนาความหมดจดและไม่หมดจดเพราะท่านเป็นพ้าอารหันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคำว่าเป็นผู้เว้นแล้วก็คือ ละเวน้นงดเว้นออกไปสละพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยความหมดจดและความไม่หมดจดเป็นผู้มีจิตทําให้ปราศจากแดนกิเลสอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้เว้นแล้วคําว่าพึงประพฤติทเที่ยวไปก็คือพึงประพฤติทเที่ยวไปผัดเปลี่ยนดําเนินไปรักษาบํารุงเยียวยาคําว่าไม่ยึดถือทิฏฐิที่มีอยู่ก็คือทิฏฐิหกเรียกว่าทิฏฐิที่มีอยู่มันไม่ยึดถือไม่ถือยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิที่มีอยู่พึงประพฤติทเที่ยวไป สรุปคาถาว่าพระอริยาสาวกคือพระอรหันเนี่ยนะละศีลละวัดทั้งปวงละกรรมอันมีโทษและกรรมมันไม่มีโทษไม่ปรารถนาความหมดจดและไม่หมดจดเป็นผู้เว้นแล้วไม่ยึดถือทิฏฐิที่ททมีอยู่ประพฤติเที่ยวไป น, นี้ก็เป็นคุณธรรมของพระอรหันนี้พวกปุถุชนนะนะว่าพวกสมณะพราหมณ์อาศัยตบะที่เกลียดชังนั้นอาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่ทราบ ผู้กล่าวความหมดจดในสงสารข้างหน้ายังไม่ปราศจากตัญหาในพบน้อยพบใหญ่ย่อมพร่ำพูดถึงความหมดจดนะพวกปุถุชนเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเนี่นะพวกปุถุชนเนี่ยนะอาศัยตะบะที่เกลียดชังก็เลยเนี่ยนะอาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบนี่แหละก็คิดว่าความหมดจดจากวัตะจะอยู่ข้างหน้านัา่นแหล ะ, ะ, ะก็คือวัดนะ่นนะวัดนะ ยังไม่ปราศจากตันหาในพบน้อยโทษใหญ่ก็เลยพร่ำถึงแต่ความหมดจดอธิบายว่าคําว่าพวกสมณพราหมณ์อาศัยตบะที่เกลียดชังนั่นความว่ามีสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทเกลียดชังตะบะมีความเกลียดชังตะบะเป็นสาระเกลียดชังวัดเนี่ยนะเรียกว่าอิงอาศัยผัวพันติดใจน้อมใจไปสู่ตบะที่เกลียดชังฉะนั้นเี่ยพวกสมณพราหมณ์อาศัยตะบะที่เกลียดชังคือเกลียดตะบะมาก อาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ฟังหรืออารมณ์ที่ทราบความว่าอาศัยเข้าไปอาศัยถือยึดมั่นถือมั่นรูปที่เห็นนะความหมดจดเพราะรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรือความหมดจดเพราะเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบหรือความหมดจดเพราะอารมณ์ที่ทราบเรียกว่าชื่อว่าอาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่ทราบอันพวกนี้ก็ถือเอาข้อปฏิบัติต่างๆนานาแล้วแต่จะคิดค้นขึ้นมาเนี่ยนะ คำว่าผู้กล่าวความหมดจดในสงสารข้างหน้าก็คือย่อมพร่ำพูดถึงความหมดจดว่ามีสมณพราหมณ์บางพวกผู้กล่าวความหมดจดในสงสารข้างหน้าสมณพราหมณ์พวกไหนผู้กล่าวความหมดจดในสงสารข้างหน้าก็คือพวกสมณพราหมณ์ผู้ถือความหมดจดโดยส่วนเดียวถือความหมดจดโดยสงสารผู้เป็นกิริยทิฏฐิผู้เป็นสัสตะวัฏ สมณพราหม์พวกนี้ชื่อว่าเป็นผู้กล่าวความหมดจดในสงสารข้างหน้ า, า น, นีพวกนี้ก็ถือว่าเออเนี่ยแหละเมื่อเราทําดีอย่างนี้นะเราก็จะได้ไปอยู่ดินแดนแห่งความสงบสุขเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วเราจะสะอาดบริสุทธิ์หมดจดเลยเหมนกันเพรานพวกสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็พร่ำถึงกล่าวบอกพูดแสดงแถลงความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบ ความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบโดยสงสาร น, นะนะก็ไปถึงณตำแหน่งนั้นและจะดีเองเหมือนกันนะไปอยู่ณภพนั้นและจะบริสุทธิ์เองเหมือนกันก็ถืออย่างนี้แหละคำว่าตันหาก็คือรูปปตตัตนหาสัทาาตันหาคันธตันหารัศตันหาโพธะพตันหาก็คือตันหาในรูปเสียงกลื่อนรถโพธะพรธรรมรมก็คือผู้ยังไม่ปราศจากตันหาในภพน้อยภพใหญ่คำว่าภพน้อยภพใหญ่ก็คือ กรร ม, มวัดวิปากวัดในการ ม, มาพบรูปประพบและอรูปประพบเนี่ยนะในความเกิดบ่อยๆเป็นไปบ่อยๆเข้าถึงบ่อยๆปฏิสนธิบ่อย ๆ, อยๆความเกิดแห่งอัตภาพบ่อยๆเพราะนั้นพวกปุถุชนทั้งหลายสมณะพราหมณ์ทั่วไปก็เนี่ยปรารถนาการเกิดเนี่ยบางพวกก็ปรารถนาเกิดในการมประพบบางพวกก็ปรารถน า, ารูปประพบบางพวกก็ปรารถนาอรูปประพบสรุปว่าปรารถนาขันห้าเหมือนกัน คำ ว, ว่ายังไม่ปราศจากตัห า, า, ายังไม่ปราศจากตันหายังไม่หมดตันหายังไม่สะละตันหายังไม่สําร c ตันหายังไม่ปล่อยตันหายังไม่ละตันหายังไม่สละคืนตันหาฉะนั้นจึงเชื่อว่ายังไม่ปราศจากตันหาในภพน้อยภพใหญ่สรุปลัทธิที่ของสมณพราหมณ์พวกนั้นว่าพวกสมณพราหมณ์อาศัยตาบะที่เกลียดชังคือเกลียดชังตาบะเนี่ยนะอาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ฟังหรืออารมณ์ที่ทราบ ก็กล่าวความหมดจดในสงสารข้างหน้าก็คิดว่าจะบริสุทธิ์ข้างหน้านุแหละยังไม่ปราศจากตัญหาในพบน้อยพบใหญ่ก็พร่ำพูดถึงความหมดจดนะวัตถุทั้งหลายเป็นของอันผู้ปรารถนาชอบใจอันหนึ่งความหวั่นไหวย่อมมีในเพราะวัตถุทั้งหลายที่กำหนดแล้ว ความเคลื่อนและความเข้าถึงไม่ได้มีแก่ภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ภิกษุนั้นพึงหวั่นไหวด้วยเหตุอะไรพึงชอบใจที่ไหนคือไม่หวั่นไหวและไม่ชอบใจอะไรอะไรก็แบ่งนะถ้าหากว่าพวกที่ปรารถนาวัตถุทีนี้ถ้าวัตถุนั้นมันเคลื่อนนะก็หวั่นไหวก็เดือดร้อนเน่ยนะผู้ที่ปรารถนาวัตถุคือปรารถนาการหรือปรารถนาภพเนี่ยก็หวั่นไวหวอย่างนั้น แต่ว่าพระพิสุเนี่ยนะก็บอกว่าท่านความเคลื่อนและความเข้าถึงไม่ได้มีแก่ท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่หวั่นไหวด้วยวัตถุอะไรเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้ชอบอะไรแต่ที่ไหนๆก็แบ่งเป็นสองพวก น, นะคำว่าวัตถุทั้งหลายอันเป็นของอ่เป็นของอันบุคคลผู้ปรารถนาชอบใจก็คือความตัณหาเรียกว่าความปรารถนาก็หมายถึงราคะสราคะอภิชาโลภาคุสลมูล ความปรารถนาก็คือความอยากได้ยินดีรักใคร่ชอบใจเพราะฉะนั้นคำว่าชอบชอบใจเป็นชื่อของตัณหาเหมือนกันนะราะวัตถุทั้งหลายของบุคคลผู้ปรารถนาชอบใจก็คือวัตถุของผู้มีกิเลสผู้มีตัณหานะคาว่าความกาหนดในคําว่าความหวนไว้ย่อมมีในเพราะวัตถุทั้งหลายที่กําหนดแล้วกาหนดด้วยตัณหากับกาหนดด้วยทิฏฐิ แม่บุคคลผู้มีความหวาดระแวงในการแย่งชิงวัตถุย่อมหวั่นไหวนะนีคือพวกวัตถุนะยึดถือวัตถุก็หวั่นไหวใช่ไหมยึดถือวัตถุใดก็หวั่นไหวเพราะวัตถุนั้นยึดถือรูปก็หวั่นไหวเพราะรูปยึดถือเสียงก็หวั่นไหวเพราะเสียงยึดถือกลิ่นรสโพธาพะก็หวั่นไหวเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะยึดถือบุคคลใดก็หวั่นไหวเพราะบุคคลนั้นยึดถือบ้านหวั่นไหวเพราะบ้านไหมก็หวั่นไหวเพราะบ้านยึดถือรถล่ะ อย่านั้วันไหวเหมือนกันนะใบตนสนมันจะตกใส่หรือเปล่าเนี่ยวันไหวอะไรนันก็ยึดถือสิ่งใดก็วันไหวเพราะสิ่งนั้นนั่นแหละเพราะนั้นวันไหวว่ายังไงวัดไหวว่าวัตถุเนี่ยถูกแย่งเอาไปแล้วก็ย่อมวันไหวนะท่าเนี่ยหรือว่าแม้บุคคลผู้มีความหวาระแวงในความแปรปรวนไปแห่งวัตถุทั้งหลายก็ย่อมวันไหวเมื่อวัตถุกําลังแปรปรวนไปก็ย่อมวันไหวเมื่อวัตถุแปรปรวนไปแล้วก็ย่อมวันไหว เพราะฉะนั้นความสะทกสะทานเอ็นเอียงฉะนั้นจึงชื่อว่าความหวั่นไหวมีในเพราะวัตถุทั้งหลายที่กําหนดด้วยตันหากับทิฏฐิอ่ะนะก็กำหนดถ้าพอใจมันก็หวั่นไหวกับสิ่งในอ่ะนะกาหนดด้วยตันหากับทิฏฐิก็เมื่อกําหนดกับวัตถุใดก็ต้องเดือดร้อนเสียใจกับสิ่งนั้นอ่ะนะพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าไม่มีวัตถุใดไม่เป็นที่ตั้งแห่งโศกกปริเทวทุกโทมนัสอุปาญาตสําหรับผู้ที่เข้าประยุต เข้าไปเข้าไปพลเนี่ยนะเข้าไปต้องการคำว่าแก่พิษุใด้เนี่ยนะก็คำว่าในคว่าความเคลื่อนและความเข้าถึงไม่ได้มีแก่พิสุใดในธรรมวินัยนี้ความว่าความมาความไปความมาและความไปความตายคติในพบน้อยพบใหญ่ความเคลื่อนความเข้าถึงความเกิดความแตกชาติชรามรณะย่อมไม่ได้มีคือย่อมไม่ปรากฏ อ น, นะไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้แก่พระอาหารหันตขีนาศคำว่าพิสุคือพระอาหารหันตขีนาศพเพราะฉะนั้นความเคลื่อนและความเข้าถึงอันพระอาหารหันตขีนาศเนี่ยตัดขาดสงบประงับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าความเคลื่อนและความเข้าถึงไมได้แก่อ่ไม่ได้มีแก่ภิสุใดในธรรมวินัยนี้ คำว่าพิสูจนนั้นพึงหวั่นไหวด้วยเหตุอะไรพึงชอบใจในที่ไหนอ น, นะสรุปว่าถ้าหากว่าผ้ารหันเนี่ยนะที่ไม่เกิดไม่ตายเนี่ยที่ที่พ้นจากการเกิดการตายแทงตลอดอสังขตะธรรมอย่างนี้แล้วอ่ะท่านจะหวั่นไหวเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้ชอบอะไรอะ่ะเมื่อท่านท่านไม่ได้เพลิดเพลินกับวัตถุใดไม่ได้เพลิดเพลินกับวัตถุกามเป็นต้นเนี่ยเพราะท่านตัดกิเลสกลามได้หมดแล้วอ่ะนะท่านจะหวั่นไหวเพราะอะไรแล้วก็ท่านจะชอบใจอะไร เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นพึงวันไว้ด้วยราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอุทธจาวิจิกิจฉาอนุสใสอะไรนะใครจะมาบอกเออคือท่านจะวันไว้ด้วยอํานาจความกําหนัดความปทุสร้ายความหลงไใยมานะเป็นเครื่องผูกพันความยึดถือหรือความฟุ้งซ่านถึงความไม่แน่ใจหรือโดยเรี่ยวแรงและพิสูจนนั้นละอภิสังขารเหล่านั้นเสียแลว้วละกรรมทุกอย่างที่จะนําปฏิสนธิในภพหมายได้แลว้วเนี่ยนะเพราะเป็นผู้ละอภิสังขารแล้ว พึงหวั่นไหวโดยคติด้วยเหตุอะไรเล่าคือถ้าท่านสิ้นตันหาถ้าตันหาดับอุปาทานก็ดับใช่ไหมเพราะถ้าตันหาดับอุปาทานดับความหวั่นไหวก็ไม่มีเมื่อหวั่นไหวตันหาอดับอุปาทานดับไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วกรรมก็ไม่มีใช่ไหมปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารไม่มีก็ถึงความดับไปถ้าปุญญาพิสังขารอภิสังขารไม่มีแล้ว่ะการปฏิสนธิในภพใหม่มีไห ม, ไมก็ไม่มี เมื่อไม่มีเนี่ยนะท่านจะไปต้องไปหวั่นไหวอะไรว่าจะเป็นผู้เกิดในนรกเกิดในมนุษย์เกิดในเทวดาเป็นสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปสัตว์มีสัญญาหรือว่าไม่มีสัญญาหรือว่าเนวะสัญญานาสัญญาเนี่ยนะเพราะว่าท่านไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีกัลยณะอันเป็นเหตุให้หวั่นไหวสะทกสะทานเอ็นเอียงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภิกษุนั้นพึงหวั่นไหวด้วยเหตุอะไรเนี่ยท่านจะไปหวั่นไหวเดือดร้อนเพราะอะไร คำว่าพึงชอบใจในที่ไหนความว่าพึงชอบใจรักใคร่พอใจในที่ไหนเนี่ยนะเพราะท่านจะต้องไปเดือดร้อนไปชอบใจไปพอใจไปทุกข์ไปร้อนอะไรเนี่ยนะสาหรับพาาระอรหันต์คิดดูนะว่าผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนี้จะมีความสุขขนาดไหนนะพระพุทธเจ้าสมัยที่มีพระชนอยู่เนี่ยพระองค์จะมีความสุขขนาดไหนไม่มีกิเลสไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องบุ่ญวายไม่ต้องอะไรสักอย่างเลยนะหรือว่าเอ๊ะมันจะสนุกตรงไหนอ่ะนะคนคนมีกิเลสบางคนก็บอกเอาแล้วมันจะไสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะ